ผู้ที่จะจำบรรษากอ ช, ช่วยกันดูกุติสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุชาวบ้านให้พระเป็นผู้นำทำความสะอาดพื้นที่กุติทางจงกรมหลังคาความพร้อมที่จะจำบรรษาไม่ใช่ว่าพอเข้าบรรษาไปแล้วก็ อะไรก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมเรามาทำกุกกักในพรรษาอันนั้นไม่ถูกต้องก่อนเข้าพรรษาควรจะเตรียมพร้อมน ะ, ะช่วยๆกันดูพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่ามันหลวงพ่ออินเสกคาถาเป่าพูดพากขึนมาแล้วก็เป็นกุติเป็นชาลาเป็นทางยงกรมไม่ใช่หลวงพ่อก็ไดใหม่ๆมาใหม่ ๆ, ๆก็ลงทุนอย่างขนาดหนัก ต้องทำเองแต่เมื่อมีพระลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาอยู่ด้วยก็พึงพาอาศัยพวกท่านทั้งหลายเป็นหูเป็นตาช่วยกันอันไหนที่จะเป็นที่สปายะสำหรับหมู่พวกเพื่อนสำหรับตัวของท่านเองให้ช่วยกันดูเพราะวัดวัาศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็น เ, เพียงประธานเป็นผู้ดูแลแต่ความสะดวกสบายอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องเป็นหูเป็นตาต้องเป็นต้องมีใจต้องช่วยการคิดต้องช่วยการพัฒนาต้องช่วยการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้าพวกเราไม่ปรับไม่ปรับปรุงมันก็กุฏิ ที่พักพาา้าใสมันก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันแต่พอไม่น่าอยู่แล้วก็ตำหนิกุติเป็นอย่างนั้นกุติเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ติตนเองทาไมไม่ตาหนิตนเองทำไมเราจะโง่นักเหมือนกับนกขมิน่นตำหนลิลิงลิงทำไมท่านก็มีหัวมีหูมีมือเหมือนกับมนุษย์ แต่เวลาฝนตกทําไมถึงท่านจึงไม่ทำไม่ทำบ้านไม่ทำบ้านเป็นที่พักพ้าอาศัยเหมือนกับมนุษย์แต่เราเป็นนกมีสองขามีกับป๋าก็ตัเองเรายังทําบ้านที่พักพ้าอาศัยกันแดดกันฝนได้แต่ท่านมีครบทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์แต่ทําไม ท่านจึงไม่ทำบ้านเวลาฝนตกท่านมาตากฝน อ, อยู่อย่างนี้ดูแล้วชันงานงกอยู่อย่างนี้มันหนาวขนาดนี้ไม่มีที่พักหลบฝนเลยท่านทำไมไม่ทำลิงกเกเรตัวนั้นก็บอกว่าข้ามีอวยัยวะครบเหมือนมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ข้าขาดปัญญาข้าไม่มีปัญญาที่จะต้องทำเหมือนกับมนุษย์ สมาธิของข้าก็สั้นอีกต่างหากแต่ทําไมนกจะมาดูถูกเราเนะี่อยังมองคนอื่นนี่นะทําไมนกขมิ้นจึงมาดูถูกเราเราจะขยี้ของเธอลังของเธอเดี๋ยวนีนะ้พอพูดเท่านั้นแหะนกขมิ้นก็บินรีบบินออกจากลังขณะที่ฝนตกอย่างเล็งจะเข้าไปขยี้แอบกระจุยกระจายหมดนะ่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วว่านิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอวัยวะของเราแข้งขาตีมือของเราก็มีอยู่แต่เรามันโง่เราไม่สามารถที่จะทาอะไรได้เพราะเราโงา่ลิงโง่เราอยาให้เป็นลิงสรุปแล้วพระของเราอยากให้เป็นลิงให้เป็นพระตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขที่พักผาอาศัยของเรา ทำามันเกินกว่าที่เราจะทำได้เราก็ตอกบอกหมู่ครูบาอาจารย์ว่าตรงนั้นมันรั่วมันแตกมันมีปัญหาเราทาไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมูม่ครูบาอาจารย์จะหมักพักพวกรวมกันเพราะว่าเสนาสะนะทุกอย่างมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่เศคารถายอย่างที่ผมพูด พวกเราเนี่แหละเป็นร่วมกันผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นมีอยู่เอถ้าหางว่ามันจนปัญญาจริงๆมันเหลือบ่า ก, กว่าแรงบอกผมทีนอ่แทนด้านวัตถุที่ทําทไม่ได้ไม่มีหรอกถ้าอยู่ในวัดเป็นเสียจะทําเครื่องยงนต์กลไกเรื่องเครื่องบุชเครื่องบงเครื่องบิน อ, อย่างนั้นเออ เ, เราทําไม่ได้แต่ภายในวัดเนี่ย ที่เราใช้อยู่เสนาชนะทั้งหลายทั้งปวงมันทำได้ทั้งนั้นพร้อมที่จะทำพำได้ไม่เหลือวิสัยแต่ว่าถึงยังไงขนาดเล็กเล็กเล็กลน้อยเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันดูแลทางในจงกรมเมือท่างเดินไปมาหาสู่กันทางเมนกลางบ้างช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาด สะอาดวัดวาศาสนานี่จวนจะเข้าพรรษาพูดจวนจะเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาแล้วพวกเราจะหยุดแต่ตีพักผ้าใส่ไม่ให้บรบกวนกันใครจะอดอาหารใครจะทําความภาคเพียรอย่างไรใครจะทําความมากน้อยแค่ไหนในพรรษานี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายพวกพวกท่านทั้งหลายมาเพื่อการศึกษาส่วนหนึ่งมาเพื่อปฏิบัติส่วนหนึ่ง เมื ilia, <PTSD> things, ่อศึกษาแล้วปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปใช้ที่อื่นใช่เอาไปใช้ที่อื่นก็จริงอยู่แต่ก่อนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนแล้วออเราเอาไปใช้ที่อื่นเพอเพอมันไม่ได้ผลเลยถ้าทํายังไงทางว่าเราเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้ปฏิบัติ ใช้ถูกต้องถูกทางเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นธรรมคาสอนเราก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจด้วยเมื่อเราเรียนแล้วลงลงมือปฏิบัติทั้งเรียนแล้วลงทดลองด้วยทดสอบด้วยเหมือนกับเขาเรียนช่างคนอย่างนั้นพอเรียนเสร็จแล้วก่อรีบแก้ไขทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลย เราจะเรียนรู้ว่าทําผิดได้ทําถูกไม่ใช่ว่าเรียนเรียนเรียนจบแล้วนู่นเอ่อก้าปีสิบปีแล้วยังไปตั้งบริษัทไปทำเบอร์เผล อ, อ, อ, อความรู้ที่เราได้เรียนได้ประสบการณ์มามันก็ะสุนคนที่เรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยสั่งสมคุณงามความดีไปด้วยทิษจดีด้วยปฏิบัติด้วยทิศจดีด้วยปฏิบัติด้วยคนนั้นคนนั้นจะ มีความรู้แล้วไอกิจาการของเขาจะเจริญมากกว่าที่คนเรียนทั้งหมดแล้วจะค่อยไปประกอบการฮะนี่ก็เหมือนกันแนะ่ะพวกเรามาศึกษาที่นี่เรเรียนด้วยปฏิบัติด้วยปฏิบัติไปด้วยเรียนไปด้วยศึกษาไปด้วยกาศึกษาก็คืออะไรชื่อส่วนเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์แนะนำํำฟังธรรมเทศนาส่วนนึงครับศึกษาตํำรับตําราบ้างจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ นี่แหละอันนี้สถานที่ปฏิบัติของเราเนี่ยผมพูดเรื่องสถานที่ปฏิบัติของเราเนี่ยสัปปายะเนี่ยเสนาสนะสัปปายะเนี่ยจะทำยังไงไม่ใช่ว่ากุติหลังคารั่วอย่างนี้ก็เชยน่อย่างหลวงปู่ชาญนผมเคยยกมาไม่รู้กี่ครั้งเน่ยพระพรังบอกว่าผมในวางเฉยเฉยกระทั่อว่ากุติของผมเนี่ย แล้างคามันรั่วผมก็ไม่ได้สนใจเฉยว า, างเฉยไม่ได้สนใจหลวงปู่ชาบอกว่าวถ้าวางเฉยแบบนั้น่าวางเฉยแบบควายมันวางเฉยแบบควายฉันไม่ใช่ผู้มีปัญญาถ้ามุผู้มีปัญญาอันไหนควรจะวางอันไหนควรจะปฏิบัติอันไหนควรจะยึด เออไม่ใช่ว่ามีอะไรปล่อยวางทั้งหมดเฮ้เสื้อผ้าก็แก่ไปหมดอาหารการบริโภควางไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอันไหนควรจะปฏิบัติยังไงเป็นหลักเป็นหลักธรรมวินัยเราต้องแยกแยะให้ออกคําว่าปล่อยวางครั้งนี้นะเป็นปล่อยวางอนัตตานะเป็นว่าขั้นสุดท้ายแล้วพิจารณาเห็นแล้วค่อยปล่อยวางขั้นสุดท้ายแต่จตาม่จริงก่อนที่จะเป็นขั้นสุดท้ายอย่างนั้นมันก็ต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขดูทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการยึดยึดอะไรนะยึดหลักพระธรรมวินยัยยึดทำคําสอนยึดแนวทางใช่ไหมพอไปถึงที่แล้วก็ปล่อยวางเหมือนกับเราก่อนจะข้ามแม่น้ํามหาสมุทรอย่างนั้นเราต้องยึดเรือซะก่อนเราต้องมีเรือซะก่อนเป็นพาหะเป็นผู้นําไปในเมื่อเรายึดเรือไป ไปถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งแล้วเราไม่ต้องแบกเรือขึ้นไปเลยทิ้งเรือทิ้งนั่นน่ะคือปล่อยวางนี้ก็เหมือนกันการอันดับแรกเลยเราก็ต้องอาศัยหลักพระธรรมวิ น, นัยอันลักอาศัยหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเด็จสอนสั่งยังไงเราก็การกองไตรตรองด้วยเหตุและผลของเราจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอน ของท่านทั้งพระวินยัยทั้งพระสูตรพระสูตรก็คือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอย่างที่ผมเล่าเป็นชาดกให้ฟังพระสูตรนกขมิ้นกับลิงอนกขมิ้นตาหนิลิงท่านมีครบทุกอย่างแต่ทําไมท่านไม่ทําบ้านพักพาอาศัยนี่แหละอันนี้คือพระสูตรคือเปรียบเทียบพระวินัยคือกดระเบียร์พระ พรัมา ธ, ธรรมคือคำสอนในปัจจุบันทำใจอย่างไรจรึงจะจิตใจจึงจะสงบจิตใจจึงจะนิ่งเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสมาธินี่เราทำอย่างไรในเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเดินปัญญาเดินวิปัสสนาปัญญาเดินอย่างไรอันนี้ท่านก็สอนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละเราเดินตามตามขั้นตาม ลำดับที่พ่อแม่ครูบาจะแนะนำสั่งสอนพวกว่าไม่เหลือวิสัยเพราะท่านพาเดินมาแล้วพวกเราเดินตามไม่เหลือวิสัยปัญหาของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจวนจะเข้าปัญษาแล้วเตรียมพร้อมเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสถานที่ะจะให้คาดตกบกพ้่องในปัญษาที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะตลอดถึงการท่องที่ปวดใหม่พักบวดใหม่แต่ให้ท่อง คำอธิษฐานพรรษานะอย่าให้ขาดตูบบุกบ้องนะถึงวันนะผมจะวัดถามนะจะเรียงลําดับใครอธิษฐานมาพรรษาไม่ได้ไม่ให้เข้าพรรษานะให้ออกนอกวัดะก่อ <c> น <oughs> ถ้าใครถ้าใครอธิษฐานพรรษาไม่ได้ฮ <c oughs> อ่ออธิษฐานไม่ได้ทําไงงั้ต้องออกนอกวัดะก่อนเมื่อเรียนจบยังค่อยเข้ามาเข้าพรรษาหลังเนี่ยพราะนั้นแหละต้องเรียนนะของเหล่านี้ทำไมเรียนจะรู้ได้อย่างไร ถ้าไม่เรียนจะจำได้อย่างไรต้องเรียนนะรับพรนนมธนาให้พอ